أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم رحمن الرحيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبيه ورسله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحاب ا ل ج ر الميمين ا ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آن من سورة المائدة آيات. ที่เราได้เริ่มอธิบายอัุถรนสงของ <c oughs> อัยานีซึ่งเป็นอยายะที่อัลลพูดถึงเรื่องสำคัญมากในศาสนาอิสลามเรื่องสำคัญของเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องจากการที่อิสลามนั้นได้ถูก เรื่องคุณมาบนเสาวล่ะห น, นึ่งในเสาหล้านสิเลมาเลมานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำคัญที่สุดเลมานั้นเป็นเรื่องพิสูจน์พิสูจน์ความเป็นผู้ศรัทธาธรรบีจึงบอกว่าสัญลักษณ์ระหว่างเรากับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือการเลา มันมีรูปแบบอันใดที่จะเผยความศรัทธาที่จะพิสูจน์อิเนียมในความศรัทธานอกจากธะเราคนนี้มุสลิมคนนี้็มุสลิมว่าพิสูดีว่าเราเป็นมุสลิมแต่คขบอกว่าใจซะกะซะกะนี่ อาจจะท่านอาจจะบุญยาก็บริจาคช่วอเลยคอมมินิสต์ก็ยังทำบุญบริจาคทางช่วยเลยยากจนแตถ้าบอกว่าดีสุดคุณอาจจะลดน้ำหนักได้แต่ท่าละมานี่ท่าละมานกระาบไหวมันตีความอิ่มอุ่มไม่ไา้ บริบทของละหมาดนะตรงหันหน้าไปยังกิบลัดตรงอาบน้าละหมาดแบบนี้ที่เราจะพูดถึงองอานตรงอานแบบนี้อาบน้ำมาตัาวนันสะอาดบรีดีเอาเอาแอลกอฮอลมาล้างดีมากสะอาดสุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ซอมอาบน้ำาใช้ไม่ได้ตัออนแบบนี้ต้องใช้น้า ฉังนั้นครงสร้างของละมาดหลาะมาทั้งหมดเนี่ยเป็นบทพิสูจน์วเป็นมุสลิมจริงหรือลาคำว่ามุสลิมแต่ว่าผู้ยอมครับผู้ยอมรับผู้นอบน้อมผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเชื่อฟังมุสลิมมาจากคำว่าอิสลาม ศาสนา伊斯兰มการยอมรับเัื่องสำคัญของการยอมรับของ伊斯兰มีการยอมรับในพระเจ้าเราเรา่มีอัฮสฮนก่อนที่จะ้าวาระเนื้อหาขการอ่านเรองลมาดอย่างที่ไปบอกกับพวกเราว่าเราจะไม่อธิบายเรื่องละหมาดเรื่องอนละหมาดเหมือนตำราต็มทีทั่วทั่วไป ขั้นตอนการอ่านน้อละหมาด ต, ต้องอ่านน้อละหมาดอย่างไงแบบเราจะพยายามเจาะลึกไปถึงเหตุผลแล้วก็ความว่าถุประสงค์ของการอ่านนืล้ละหมาดเคล็ดลับของท่านอืหมาดส่วนมาก ถ้าจะเป็นสาสตหรือวิชาที่เกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจเขาจะบรรจุไอมาดาต่างๆในหมวดภายใต้คําว่าฟิฟโกฟิกฟิฟโกไปว่าความรู้ศาสตหรือข้อมูลว่าด้วยฟิฟโกนูดุศาสตร์หรือความรู้ว่าด้วยอนุดุการนั้นนั้นมา แต่ความลึกซึ้งและคิดลับของพิธีกรรมหอยบาดาต่างๆนั้นมักจะไม่ถูกอธิบายทําไมอ่ะมันก็ต้องถามนะพิธีละมาตรนี่ต้องละมาตยังไงต้องข่มยังไงต้องวางมือ ย, ยังไงอันนี้มีอธิบายเยอะใช่ไหมตำราเยอะเนนี้หายอะได้รนะแต่ตําราที่จูดถึงเรื่องขรุขอะนี่น ล, ละมาน จะน้อมน้อมเล่นมาได้ไงจะมีขุ่โตเล่นมาได้ไงเนี่ยจำราดีพูดถึงเรื่องนี้น้อยทำไมมันไม่ใช่ข้อตำหนิของศาสนาเพรศาสนาพูดถึงเรื่องนี้ศาสนาพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยว่าตํำราเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ศาสนาพูดจรเลย قد أبلغ المؤمنون الذين ال هم في صلاتي خشنا ل ้น5เสร็จรูทีละมาแค่นั้นแหะมีที่มีคูช่ละมาดคนที่จะศึกษาละมาเนี่ยก็ต้องู้ว่าเขาจึการื่องละมาดก็ต้องมีคูช่วเพราะความสำเร็จนี้มันขึ้นอยู่กับอันนี้ไม่มีขึ้นกับการละมาดอย่างนี้อ้าวคาสั่งให้ละมาดทุกคาสั่ง ไม่มีนะจงละหมาดนี่ไม่มีจงละหมาดนี่พวกเรานี่ไม่มีสรูอย่างเดียวนี่ไม่มีการียังสรูไม่มีแต่ที่คำว่าอัติมุสซาอัติมุอลาเราจัดกนี่เราใช้คำว่าดัมรงซึ่งการละหมาดไมดรงแปลว่าอะไร ดำรงใช่ไหมดำรงคือปฏิบัติปฏิบัติตลอดไปรักานะรษาไว้ใช่ไหมในภาษาอับนะอากีโมไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่แค่นี้อากีโมมาจากอต่ตมาอิก ต, ตมาแปลว่า ปฏิบัติให้สมบูรณ์ทำไว้ให้มันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอธิษฐนฉะนั้นคีรงคือละมาบินะรักชาติละมาแต่ละมาตลอดชีไม่เคยมีความสุขในละมามีไหมมีเยอะละมาละมาตลอดนไม่เคยขาดไม่เคยมีความสุขในละมา ละหมาดไม่เคยร้องไหง้ละหมาดไม่เคยขนลุกคนลุกถ้าถ้าถ้าแม่ขวัญหรือตักคุบในละหมาดคนลุกแต่ละหมาดแล้วก็ขนลุกเพราะอา่านอัลกุรอานขนลุกเพราะสุญูดและมีความสุขรู้สึกใกล้ชิดกับอัอลลอฮ์นเนี่ยกี่คนนะที่ได้ เล no. ่ามาเอ็ดนะจิกรุณาเนี่ยจิกรุณ่ามาเอ็ดนี่เพร s ะกรุณารู้สึกซาบซึ้งกอัลลอฮุ n ุพาลลอร์ดีอัลอาวีตุฮ์รู้สึกอยากกินน้ำงนะือสำหรับคนที่ชอบกินเนนะสโอ้ยอยากกินทุเรีหืออาจจะอาจจะอร่อยกว่านั้นสำหรับคนที่ชอบกินบูดูก็แล้วแต่ มันมันเพราะอธิบายยากเนี่ยอธิบายยากความสุขในการทำไมบได้เป็นรางวัลที่อัลลอ์ให้แก่บ่าวของพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนเลยให่มาก็ได้ไม่ใช่เป็นรางวัลใหญ่หลวงที่มาจากอัลลฮสุขานุการดำรงซึ่นการและมบบนี้แหละที่จะทำให้ ไอาบาดาของเรานั้นมีอรรถมีความหมายมีมีเหตุผลแล้วคำสั่งสอนว่าเราสุภาณวาุตตามันก็ต้องมีผลชะไหนชะไหนาการลริมมาเป็นรุปุลนะรุกุ่เสาหลักแล้วก็รุปุลนเนี้ยเราไม่ใส่ใจอไม่ให้ความสำคัญะไม่มองถึงความสำคัญของมันและมาแค่ห่าวัตตูละหมายถึงว่ามามาพร้อมตัวห้าวัตตูแล้วก็ ขึ้นลงขึ้นลงจบนี่รูกุัอน่านนี้รูกุันนะนี่เนี่ยละหมาดกันห้าวัตูแล้วก็วันดีคืนดีนะข้ามุสลิมสามพันคนนะซีซี่อ่ะก็ปีอ่ะซีซีแล้วมาต็บอกว่าละมาดมีครูมาสอนพูดอ่านสอนที่บ้านด้วยภาพลวง มีคนมีคนที่ยังเชื่ออ่ะไอมาด้าที่ใครก็ตามได้ได้ทำแล้วเนี่ยเขาสามารถรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งชายะมุสลิมมุกมินปา่าอะไรเขาอ่ า, รรานอะุษยาน่ะบริษัทสกาดนะ่ะเขาละมาสนะละเรื่ อ, อื่นเรื่องอื่นที่เขากระทำแล้วมันะลม่มคุณนมความดีเนี่ย คนขายยานะขายยาติดแล้วก็เอาตังเนี้ยมาบำบัดคนที่ติดยาบ้าไหมมาสิก็ขายยาบ้าเนี่ยบ้าเลยนะไปขายยาให้คนติดยาแล้วก็อะไรได้ที่เอามานี่มาบำบัดคนที่ติดยาเช่นเดียวกันเลยคนที่เชื่อเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในอัลลอ์เชื่อในก AH, ุรา น, AH, น, AH, น, AH, น آن, ละมาดละกาบ แต่ในขณะเดียวกันกระทำสิ่งที่มันถล่มที่เขาเชื่อเช่นเขียนวันในคดีนิยายยาะเย่ยอยอิสลามเยาะเย่อยละหมาทั้งได้มีตัวเองละมมมหมาอยู่ขำไหมฉันเนี่ยต้องปกป้องครอบครัวของฉันต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของฉันใครมาแตะ ครองฉันใคยมแตะภรรยาชันใคยมแตะลูกสาวฉันแต่ในขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันภรรยาบอกว่าฉันอยากจะป้องี่อยากอได้คุณไม่ได้ฉันมีเพื่อนสูงหรือเพราะว่าฉันและเธอนสวยมากทําไมต้องปิดความสวยงามเอา้าท่าไหนจะปกป้องศักดิ์ศรีจะปกป้องเกียรติยศแต่ทีเรื่องที่ก็แค่การโฆษณานะ ทะลุมันจะนมอย่างเดียวเลยถึงนี้แล้วนะว่าไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้ประเทศเนี้ยไอสองหนา้าสองมาตรฐานนะ่ะปรากฏในร่างเดียวร่างเดียวต้องมีความเชื่อยอย่างเดียวนั้นน่ละเรียกว่ามุสลิมเียกว่ามุสตาห์แต่ร่างเดียวมีสองความเชื่อเรียกว่าอะไรนะ ม, นะนมุนาผู้ที่งมุนาที่เยอะเลยุณอัง เยอะมากทําไมอ่ะมันต้องเพราะมันเกิดสมัยท่านนบีสอดละลาอุสเลยแล้วมันเกิดคนนี้อยากจะเอาเรื่องนี้มาเป็นฉากบังหน้าฉะนั้นจะอ่านคุณอ่านนะครับพี่น้องอ่านคุณอ่านด้วยความด้วยความรู้สึกว่าอัลลอฮฺสุภาห์นอวตารสอนอะไรเนี่ยไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องนี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องนี้ทั้งทางสอนอัลลอฮฺนี่มัน มันเป็นภาพรวมอะเป็นภาพสวยทั้งภาพเลยจะมาดูจุดเดียวนะผู้หญิงได้หนึ่งผู้ชายได้สองแบ่งมรดกนี่ไปยืดดีทำไม่แฟรคุณรู้ได้เดียวอนะคุณถามบางสิ่ที่อิสลามบอกว่าผู้หญิงแม่หนึ่งผู้ชายได้สองนี่พาผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงไี่น่าที่ มันไม่มีความบิดของอิสลามที่ประเพณีสังคมเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่สังคมบังคับให้ผู้หญิงดูแลผู้ชายพอเขาแบ่งให้ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองนี่นะก็การเป็ว่าอิสลามนี่ไม่แฟ่ไม่ใช่กับผู้สังคมนี่มันพังยับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะฟื้นผูอิสลามเื้นฟูอิสลามทั้งหมดผู้ชายที่บอกว่าให้ i, ต้องแบ่งผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองแต่พขบอกเขาว่า แต่ต้องดูแลนะน้องสาวพี่สาวหนูต้องดูแลด้วยนะถ้าเขาไม่มีสามีเนี่ยยังอยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองเฮ้ยตัวใครตัวมันสิได้แล้วคุณมันนะได้ Job มัน ไ, ได้หนึ่งนะแต่เองได้สองนี่จะได้ดูแลเขาเฮ้ยไม่ได้ตัวใครตัวมันทรัพย์สินใครทรัพย์สินมันนี่ม่ได้ผู้ชายพู้แบบนี้นะสุดนเลือกปฏิบัติเอาส่วนหนึ่งเลือกปฏิบัติเอาส่วนหนึ่งที่เองชอบ ส่วนที่ไม่ชอบก็พอที่จะไปบทบัญญัติเกี่ยวกับละมาธจะไปอา่านละมาธก็ต้องมองเห็นการอาานละมาธมันไม่ยชดเพียงประเด็นเกี่ยวกับการล้างอวัยวะเพื่อเตรียมตัวสู่การละมาแต่มันมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเหตุผลนั้นนะ่ะ ลืมน้ำปะ่ะดูแลเรื่องไม่จนลืมน้ำแนละ้ <c oughs> ไม่ได้ยินไม่มันทำงานวันนะี้เรนนี้ต้องขอมาอภัยครับว่าเสียงไม่ฟีไม่ค่อยดีถ้าละหามาดแล้วไม่อักเนืละหามาดใส่ได้ปะ่ะ ใช่ไม่ได้เรามองไปรนนี้เนี่ยด้วยด้วยการตัดสินว่าเออมันละไม้มันใช้ไม่ได้แต่ไอ้ผลที่มันตามไปอีกนี่นะคือละไม้ใช้ไม่ได้นี่หมายถึงว่าติดต่อกับอัลลอฮ์ไม่ได้การละไมาที่เราเรีย ก, กันว่าซาลาห์ซาลาห์ขยอธิบาย ว, ว่าซาลาห์มาจากซีละซีละแปลว่าอะไรแปว่าติดต่อ กนะครับย่าคุมเคือนะอย่าคุมเคือนะอัลลอหอักบรีท่านติดต่ออัลลอ์แล้วนะอย่าคุมเคืองนะอย่สับสนนะเป่อจริงนะไอเรารู้สึกไม่รู้สึกนะในเรื่องของตัวเองแต่โดยเวลาการนะนะอัลลอฮหุอักบรผ่านนั่นละมาเรียบร้อยแล้วขาละหมาดตามหลักลท่านกลังติดต่อกับพระเจ้านะถาไม่อละหมาดการติดต่อนี้ไม่ได้ เหมือนโทรศัพท์ไม่มีคือแบบหมดแค่อาบน้ำละมัดไม่ซะอเอาแล้วอยู่ในชีวิตนี้ติดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้นี่คือจุดจุดหนึ่งที่คนหลายคนพอพูดถึงเรื่องอาบน้ำละมาดเรื่องละมาดเราจะไม่สามารถเห็นความสำคัญของ การและกันละมาจนกว่าจะเห็นความสำคัญที่มนุษย์จะต้องสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้นักปราชญะที่ไม่สช่มุสลิมนเคยพูดถึงเรื่องนี้นักปราชญก็เฟลสตฟีที่เขาเชื่อว่า โลกจักรวาลนี้ไม่มีพระเจ้าเขาเชื่ออย่างนี้นะแต่เขาตั้งสมมติฐาน <c oughs> ว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าจริงแต่มันอยู่ได้ไงลูกมันอยู่ได้ไงมันอลังการเหลือเกินเขาก็มันต้องมีเหตุผลแต่คนที่ใช้สมองคิดอย่างเดียวอ่ะนะเขาก็จะหาคําตอบให้ตัวเองสบายใจ ให้ตัวเองสบายใจคำตอบ น, นั้นจะใช่ไม่ใช่ในเรื่องหนึ่งอ่าออกนอกบ้านนี่เป็นเลือดหลายหยดอลองตีความสิแมวกัดกันสบายใจยังไม่เกี่ยวไงหมากัดกันงูกัดหมาเริ่มเสียงละ แสดงว่มีงูแถวเนี้ยอ่โจน้าะกร์ขึินไปกันเนี้ยต้องมีคนมาฆ่าคนแถวนี้มีคาะกรอยู่แถวนีอ้อธิบายได้หลายอย่างมนุษย์เรเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ห่างแต่ห่างจากแสงสว่างของอรรถจากคำสั่งสอนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ ส่งมนุษย์ลงมาแล้วก็ชิ้งให้มนุษย์อยู่มาส่งนบีและรัสูมาตลอดแล้วไม่เคยทิ่งมนุษย์นะส่งมาตลอดเป็นแสนคนเลยคำพี่สรงมาเป็นสิบสิบเล่มเลยคนลืมลืมเมื่แปลกใจนะว่าเราส่งมาเยอะแยะแล้วมนุษย์ยังลืมอุลืมขี้ลืมเนื้อขี้เนื้อคุณ อีกคนไม่สนใจกูามาที่เมรคุณพ่อแม่นะี่ยนักไม่ท้วนจุกมากเลยอ่ะมุงคุณของพ่อแม่ยังกับลูกกันนะกี่คนมันไม่สนใจในพ่อแม่ทำไมลืมพ่อแม่ตานี้มีใครฟังอนะ่ะเยอะไหมพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลไมมีใครดูแลอยู่ในสถานที่รักษาดูแลผู้สูงอายุพ่อแม่มมมยังมีกันเยอะไหมเยอ ทั้งดังที่กทั้งดังที่บุญคุณของพ่อแม่ต่อลูกกันนะมันมันไม่น่าจะลืมวนะมันมันนี่มันมันแค่นี้เองแต่นบีมาแล้วแล้วก็ยุคนึงไม่เจอเนี้ยฮะสาวกนบีนีเห็นนบีนะเริ่มใส่ต่อมายุคหลังนี้ลืมเป็นไปได้เป็นเป็นจริงเดี๋ยวนี้พันห้าร้อยปีแล้ว แต่พอมาจะเสนหายสุดท้ายแล้วไม่มีนบีอีกแล้วนะไม่บีไม่มีนบีอีกแล้วนะจะต้องมีอะไรที่มันยั่งยืนตลอดกาลยันเกลี่ยมัดเลยเอาว่าจึงรักษาคุรานุคำทีเดียวในโลกนี้เนี่ยที่ไม่ถูกบิดเบือนพอรัตปชยาจะอธิบายโลกเขาบอกว่าโลกนี้ทไมอลังการลูกอัดแ น, น่นคุณสีในของนักปัชยาเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ย คือคำว่าชิก่กความาชุกโลกนี้ลวนแล้วเป็นสรรพสิ่งที่เข้าหากันเข้าหากันการที่โลกนี้าา น, น, กกนีเ่เข้าหากันเสมือนเหล็กกับแม่เหล็กเข้าหากันถ้าไม่เข้าหากันจะไม่หนักแน่น แต่โลกนี้ทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนะี่ยมันเข้าหากันจึงมีความหนักแน่นมีความเรียบร้อยมีความสม่ําเสมอ ม, มีเขาพยายามที่จะหนีจากเหตุผลว่าโลกนี้เนี่ยมีพระเจ้าดูแลอยู่นะเนื่องจากว่าพระเจ้านี้มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เขาก็เอาเรื่องที่เขามองเห็นและสัมผัสได้ปะ แ, แต่นี่เนี้ยเขาโลกนี้สรรพสิ่งต่างๆมันดูแลตัวเองด้วยกันเข้าหากัน ในการขับมากันขบกันยังไงปัจจาพวกนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ยุครุ่นผีะิะตั้งแต่นั้นยังไม่มีทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆเ <c oughs> ขาบอกว่าเห็นความสม่ำเสมอของโลกจักรวาล น, นี้ความสม่ำเสมอคืออะไรคนอิชิตเกิดมา เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเป็นผู้สูงอายุเป็นคนชราเว่าะตายเห็นมาโดยตลอดมันไม่เคยเพียนนะไม่เคยเห็นคนเกิดมาเนี่เป็นคนแก่แล้วพอเติบโตนี่ยิ่งโตยิ่งเด็กยิ่งอายุน้อยขึ้นไม่เคยเห็นแบบนี้เห็นคนมาแล้วก็ยิ่งมีอายุมากยิ่งแก่ มันก็กลายเป็นเรื่องที่มีความสม่ำเสมอเรื่องที่มีความสม่ำเสมอนี่เขาจะอธิบายตามความสามารถที่เขาสามารถอธิบายได้แต่ถ้าหาก็ผู้ศรัทธามีแนวที่สามารถอธิบายโลกนี้ตามความเชื่อความตระหนักซึ่งความเชื่อและความตระหนักนั้นมันจะต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากคำสั่งสอน ความเชื่อในคำสั่งสอนนี่ก็คือคุรุอ่านเนี่ยมันต้องเป็นฐานที่มีตั้งแต่แรกหมายถึงว่าคนจะมาพูดอเราจะพูดถึงเรื่องอ่านน้ําละหมาเรื่องละหมาฉไนสําคัญมันก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าคําพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามาจากอัลลอฮ์หรือเปล่าเพราะถ้ายังสงสัยว่าคุรอ่านนี่มาจากอัลลอฮ์หรือไีอ่มาจากอ AH ัลลอ์นี่มันต้องเข้าใหม่ต้องมาคุยใหม่นะ ต้มาพิสูจก่อนนะว่าพุทอานี้มาจากอัลลอฮ์หรือเปล่าแล้วเป็นคําพูดของพระเจ้าหรือเป็นคำพูดของมนุษย์ลองพิสูจนตรงนี้ก่อนอ่านแล้วพิสูจนแล้วยืนยันได้แล้วว่ามาจากคัมภีร์สุวรรณอวดาสูมติฐานตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เปิดโอกาสให้เราสงสัยแล้วล่ะว่าทุกสิ่งทุอย่างที่อยู่ในพุทธานนี้เป็นความจริงและสัจธรรมนี่คือตักขัเป็นไปไม่ได้ว่าเชื่อว่าอุทนี้มาจากพระเจ้า เออแต่บางส่วนใช้ได้บางส่วนใช้ไม่ได้อ่านี่แสดงว่าคุณคุณเชื่อเชื่อตามอำเภอใจอะ่ะเชื่อตามอำเภอใจเอาตล้องมาดูซิดวงดาวต่างๆดวงไม่มีที่เราเห็นแล้ะชอบมันสวยแล้วดวเนี้มมมมมไม่มีไม่มีทำไมมันไม่สวยก็เลย อ, อฏิเสธไปเลยงั่นแ่ะ ยากมากสำหรับคนที่จะสแสวงหาความสําเร็จในการทำไอบาดาหากเขายังไม่ผ่านการพิสูจน์ว่าคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นมีความสําคัญมีความสําคัญยังไงส่วนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือความสําคัญของความําคัญของไอบาดาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการละหมาดและอาบน้ำละหมาดข่ายนี้ พูดถ a งเรื่งรายละอียดขอารละหมาดตอนแรกแต่ตอนท้ายเนี่ยจะให้ปัจฉะยะเอเยกเ ا ื่องไรถ้าคุณ و ้องมีเมื่อบุกเจ้ายืนขึ้นจะไปละหมาด ละหมาละหมานี่ภาษาภาษาสันสกฤตนะอินเดียเขาก็ n รี a กกัน a ะหมาละหมาโนนูไม่ใช่ละมาภาษาศาสนาอนิโกนมดะกนมนมอินเดียในอรดูนมนม สามัญลยอยูอะไรอ่ะมายังอันนั้นมันก็ใช้นะไม่ยังไม่ยังคนวิเคราะห์ภาษาแม่มมลยอยู่กบอ ว, า ม, วามานี่ก็คือมาหรือกราบมาริกกราบยังฮะ ยังไม่ว hmm. <Y ang, S 2> mm ่าอะไยังไม่ละมาน่ะยังนักวิเคราะห์ภาษามาลายูเนี่ยบางคนยังมันเป็นจวิดมันเป็นจวิดสมัยโบราณนู่นนู่นนแล้วมันก็ยังเหมือนคาว่าตุหันตุกันนั่มกตุหันเนี่ยไม่ใช่ a l นะตุหันเนี่ยก็จวิด ที่เขาเคยเขารับสักการะแล้วก็ยีบยกมาใช้แทนความคาดเคลื่อนของภาษานี่มีนะต้องเผื่อไว้ด้วยนะมันมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนนะ<ม>ถ้าเราใช้คำภาษาที่มันอื่นพอเข้าใจแต่อย่ายึดติดและยุดติดกับยึดติดกับคำศัพท์ของอิสลามนี่โดยาะเของอิสลาม เราพูดพูดพูดด้วยกันหนึ่งมุสลิมที่เนี่ยมึงไทยเนี่ยมุสลิมเขาเรียกกันแขกที่จริง ม, มันไม่มันไม่ใช่คำศัพท์ที่เราใช้คนที่ใช้นี่ก็คือเจ้าของเดิมของพื้นที่เนี่ยอ่าพอคนที่ไม่หยิบคนพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่มาแขกรวมถึงมาเลเซียอินเดีย ปากีปาท่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นแขกแต่ถูกใช้จนเป็นชายาสำหรับใครเพราะพท ม, มุสลิมเป็นประชากรส่วนมากในเมืองทยที้หมดเลยฮะพวกทีไม่มมอเอาแขกไม่เป็นไรไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องไม่น้อยใจด้วยทั้งที่เราเป็นเจ้าของแต่นินเหมือนกันนะ ตามรัฐธรรมนูนะคนที่อยูสัญชาติไทยเนี่ยเป็นเจ้าของอธิปไตยแ ต, แต่ก็ยังเป็นแขกไม่เป็นไรไม่ขัดข้องแต่นี่ขัดที่ขัดข้องมากเลยคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแขกนะคือไม่ใช่มุสลิมเขาไปมาลาติกลามเขาบอกว่าเข้าแขกเนี่ยเพียเพ้ยนเพี้ยนแน่นอน อ้าคือเราบอกว่าเราไม่ขัดข้องเลยก็จะได้แขกแได้ไปแต่เดมจะเข้าศาสนานี่เรียก็แขกคือเอาคาศัพท์ที่เขา้าที่เขามาใช้มามาอธิบายตัวศาสนานอิสลามมาเรู้เข้าแขกม า, มาลายูก็มีน ะ, ะเขา้าเข้าแขกนี่เขาอิสลามนี่อะไรมาซุมาซุยาวีมาซุกใช่ไหมยาวี ก็คือเขาเป็นยาวีอ่ะเป็นเยาวีทําไมอ่ะเพราะมาลายูนี่คือเชื้อชาติเชื้อชาติของหนของอิสลามไม่ใช่เชื้อชาติของอิสลามไม่ใช่ความเป็นมาลายูเป็นยาวีนี่ไม่ใช่ภาษาเยาวีมาลายูก็ไม่มาาี่ภาษาอิสลามยาวีเยาวีก็เหมือนไทยนี่แหละไทยก็เหมือนลาวเหมือนขเขมรนี่แหละ รนดับย ah, ุโรปเลยนะยาวีมาเลยระดับยุโรปเลยครับยุคภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสยันดีไวยวีหลา t เรื่องนะไวยวีเนี่ยทีดีเนี่ยพอมีคศัพท์อบเยอะเปอรเซียมีอังกฤษมีฝรั่งเศสก็มีสเปนเพียบเลยอะไรมันจะภาษาตีล่ะไม่ใช่ภาษาวยวี คือเข้าแข่เข้าอิสลามแล้วก็ขีตัดด้วยนะั่นแหะมาโซยังงี้ขีตัดเกี่ยวอะไรฮิวก็ขีตัด น, นะมาโซฮยวดิ <c oughs> อย่ายยึดติดคําสัพทพิมอาอิสลามละหมาดนี่ก็ใช้กันมัาละหมาดแต่เนี้อหาของคํำว่าละหมาดนี่ต้องกลับไปหาเนื้อหาของอิสลามที่ถูกต้องสอนหน้ พอใช้ไปใช้มานี่นะมันก็จะมีมันก็ยิ่งหา่างคนที่ <c oughs> อาจจะไมไ่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็ซื้อถึงเนะะื้อหาต่างๆของศาสนาอิสลามแม้จะรู้หา่ญญางไกลจากอิสลามเขาก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันประหลาดแปลกตรงไหนถ้าซื้อถึงพระเจ้า พระเจ้าของมุสลิ ม, มนะเรื่มุสลิมพระอัลล์รู้สกยังไงมุ i ลิมเวล s มีคนนี้ม่ใุสลิมเนี่ยมาพูดกับา อ, อพรอัลลอฮีน่รักจังเรารู้สึกยังไงรแปลกแปลกไแปลกเพราะเราไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้แบบนี้เหมือนคนไทยนี่เออ ถ้ามีฝรั่งมาพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดไดว่าแต่ต้องพูดดมันยังไงแค่ภาษานี่นะมันทำให้เรารู้สึกแปลกๆนะครับแลวมีคนบอกว่าอัลล์พูดถึงอัลลอฮ์หี่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามันก็จะรู้สึกแปลกๆเราพูดถึงอัลล์พูดถึงพระเจ้าเรานี่ใช่อัลลอฮ์ ของอธิบายความหมายพุทธานี่มัเป็นปัญหาใหญ่นะนะแปลเดี๋เนี้เขาก็ทะเลาะกันไม่หยุดเลยเนี่ยคำศัพท์ท mm ี่มันอธิบายไม่ได้มันอธิบายยากกระทับสักไปเลยอัลละฮ์กคืออัลลอฮ์อย่าไปใช้มาลลอฮ์มาลลอ์นี่มันมาจากไบเบิล ไม่เป็นโลนในพระเจ้าแต่เขาแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนกันอัลลอฮฺพระเจ้าขรงผู้อภิบาลทับศักทตัวเลยทุกคนได้บอกว่าไม่ขัดของนะใช้ต่อยาให้มันห่างไกลจากศัพทแก่แกของสนาละหมาดมันลืมไปเลยนะเนื้อหาของคว่าละาดี ذا قوم توم إ อ ى ص ถ้าอ่านแล้วก็ทราบซึ่งในคำภสาอับดุลฮคนลุกเลย เมื่อพวกพวกเจ้าลุกขึ้นไปแล้วนะฮึฮึถ้าคนที่เข้าใจภาษาเราเมื่อลุกเจ้าลุกขึ้นไปไปคนเลื่อหรือไปคนลารุมหรืออธิบายตามตามเนื้อหาจริงๆนะเมื่อพวกเจ้าลุกขึ้นไปติดต่อ Allah คนลเลื่อนะคนละรุม ทำไมอ่ะเพราะขามวัวละหมาดนี่มันไม่สวยเข้าใจเรื่องนี้ละหมาดมายังมันไม่เลึดเล็ ง, งนี่นะถ้ามัวอี ذ าตุ م ت م إ ل ى ا ل ص ل ا ة ต่ออะ <c oughs> ตตอันนี้ต้องต้องสงวนมีกสิทธนะมกไ อ, เ, อ, เ, อเรื่องอธิบายเปรียบเทียบแบบนี้ในตำราไหนไม่มีแต่ต้องต้องพูดเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้สอนแค่ อายาหกของมาอีนั้นใช่ใครบอกกับพี่น้องแล้วใครที่เข้าใจว่ามาที่นี่เนี่ยมาเรียนตรีศีลหมดหน้าที่ภารกิจแล้วกลับบ้านก็เล่นเฟซบุ๊กตลอดสัปดาห์ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจ๊ะมีหน้าที่ต้องไปศึกษากุตอ่านต่ออ่านคุตตแต่ทีนี้เราพยายามที่จะให้พวกเรานี่มีเทคนิคในการเขานึกและเน้นนะทีทีแล้วที่ไคร ฉันน่าอินถามเรื่องเรื่องภาษาจะวิเคราะห์จากความหมายภาษาไทายได้มันเป็นไปไม่ได้คี่จะตะดะบุตรไตรตรองและตีความคุรานจากคำแปลได้ปะตีความได้ในกรอบในกรอบเล็กๆของคำศัพ์ในเนื้อหารัศมีของคำศัพ์ลก จะตีความเนื้อหาภาษาไทยเหมือนที่ตีความเนื้อหาภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดยด็ดขาดก็ยกตัวอย่างให้เห็ตีความที่ลมาอยากอิเลกุ้ตุอิล็กซ์โาชินกันอุลามาเขาบอกว่าภาษาอัยมานี่จลี ความเอลเยสความเป็นมหาสจั์ของคุณอ่านนั้นมันอยู่ที่สํานวนเพราะฉะนั้นเอาล้อยท้าทายด้วยคุณอ่านคือด้วยสํานวนฟาตูบีสุรตินมิมิสลิฮิฟาตูบีอายตินมิมิสลิฮิฟาตูบีอัชรีสุริมุฟตารัยตินเอาไหมสักไอ้อันนึงสักส่วนนึงสักสิบส่วนทำได้ไเหมือนคุณอ่านเนี่ย ถ้าใครรไอเดียเดียวกแสดงว่ามันมีมหาจักรในสำนวนอมรมาจึงบอกว่าความสวยงามของคุณอ่านของไอ้แยนนะมีทั้งในคําศัพท์มีทั้งในทํานองคําว่าทํานองนี่หมายถึงว่าเสียแปลว่าทานองเนื้อหาไม่ใช่ทํานองอ่านนะทานองเนี่ยในทานองเนี่ยคานี้มาประกอบกับคํานี้จึงสวยถ้าเอาคําอื่นมาประกอบนี่นะไม่สวยคุณอ่านนี้แบบนี้ เ อ, เอาเขามีเอาออกไปแล้วเอาเข า, ามันใส่นี้มันก็เรลยนะดิ อ, อาตุลฮะอิวัลลัลนีนะดิอาคุมทุมอิลัสซาละตอซิลุอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเ <c oughs> มื่อพวกเจ้ายืนขึ้น <c oughs> จะไปละหมาดจะไปซาละไ ป, ปติดต่อกับอัลลอฮ์ซึ่เมื้องหลังของการละหมาดความสำคัญของการละหมาดทัายเนี้ยมันอยู่ในเมมโมรีของเราอยู่แล้ว มุสลิมพออ่านอายานี้ก็จะรวบรวมอันเชิญเนื้อหาของของละหมาดความสำคัญของละหมาดเนี่ยมาประกอบประกอบกับคำสั่งนี้ <c oughs> ที่ต้องลุกขึ้นไปสู่การละหมาดลุกขึ้นไปละหมาดลุกขึ้นไปทำสิ่งที่มันเป็นเสาหลักเป็นรูปคุณ ลุกขึ้นไปติดต่อขออัลลอฮ์ลุกขึ้นไปชำระบากลุกขึ้นไปเสริมสร้างความศรัทธาเสริมสร้างพลังลุกขึ้นไปปรับปรุงความเข้าใจผิดความรู้สึกที่ผิดเพี้ยนต่ออัลลอฮ์ต่อหลกักการศาสนาละหมาดนี่ถ้าหมดทําหมดเลยแต่เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอ้ลุกขึ้นไปล่หมาดนี่มันไม่เหมือน ล, ลุกขึ้นไปเล่นบอล ไม่ใช่เทียบแล้วก็เทียบได้แต่แนักบัญชาการบางคนเนี่ยไม่ไม่ชอบเทียบเลยเข้ามาไว้เร่าของเขาไม่ใช่คือเทียบให้เข้าใจเคยเห็นพี่น้องชาวพุทนี่เขานั่งสมาธิไหมฮินดูนั่งอะไรตัวคะเคยอ่านไหมเรือ น, นี้ นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ฮิตมากเลยเพราะว่ามันมันช่วยได้ทุกอย่างนั่งสมาธิมันมีเทคนิคนะไอ้เรื่อง น, น, นะ น, น, นั่งสมาธิกว่าจะถึงจุดที่เขาต้องการจากการทําโยคะหรือนั่งสมาธิกว่าจะถึงจุดนั้นนะ่ะเขาต้องทําอะไรมันต้อง มันต้องผ่านหลายขั้นตอนขั้นตอนเกี่ยวกับการควบคุมขึ้นไหวไภายในของร่างกายและสรีระเช่นการหายใจหายใจลเลืวกเพื่อไม่ได้นะต้องต้องจับน้ำไหนจะมายังไงให้ออกยังไงออกจากไหนต้องต้องจับให้ดีนะหมุดไม่ได้นะแล้วกมรุรมภาษาภาษาที่กำลังนึกที่กำลังรู้สึก พี่กำลังเห็นไฟเห็นสว่างตรงนี้รู้สึกหนาวตรงนี้เย็นร้อนตรงนู่นมาตรงนี้อันนี้ก็ต้องควบคุมพอควบคุมหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะเราจะดึนอะไรมามาคิดมาวิเคราะห์มาอะไรนี่นะเราพรมแล้วเยกตัวอย่างตรงนี้่นะเช่นเลยครับไม่มีที่หรอก คุณพ่อมาหาสมาชิกที่นี่ชื่ออะไรครับห้ามาคุณพ่อมาด้วยอ่ะอฮะใครเชิญมาเลยเชิญเข้ามาเลยเชิญมาเลยนะ ตัวที่ยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเรื่อ ง, องนั่นสอนให้พี่น้องดูสิคนที่เขาไม่มีมมพระเจ้านะเขาไม่มีอัลลอฮ์นะแต่เวลาเขาจะม่า ร, ร, รชชวบรวมข r u อ์ของเขาเนี่ยเขาต้องฝึกขนาดไหนก็ไม่อยากจะบอกว่านี่ละหมาดเหมือนละหมาดที่เมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องแต่พออ่านแล้ว อายนานี้รู้สึกว่าอัลลอฮสุบัาน์ะัวาล่ะต้องการให้เราทำใจทำตัวว่าการลุกขึ้นไปนสูก่การละหมาดนี่มันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทำไมคำว่าก้มตุมอธิบายด้วยคำว่ายืนขึ้นยืนขึ้นนี่แสดงว่าสิ่งที่เราจะไปหามานันนี่อยู่อยู่เหนือกว่าถ้าเราอยู่อนะไ แต่ที่จริงละหมาดมันก็อยู่ตรงไหนอะมันก็อยู่ตรงนี้แหละคำถามเวลาละหมาดตร ง, ต, ร ง, งต่องสองเว้ยในไอ้นี่เขาบอกว่าเมื่อเจ้ายืนขึ้นรื้ว่ายืนขแล้วละหมาดมันอยู่ตรงนี้อะเราต้องแกะละหมาดละหมาดก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ละมาเนี่ยบอกว่านี่คําศัพท์ที่คุณอ่นานใช้นี่มันสื่อเนี้ยหา ที่มันลึกซึ <gr> ้ง <rs> ที <tr> ่จะต้องดีความขึ้นมาแล้วขึ้นีเพราะอะไรเพราะละหมานี่มันสูงส่งถ้าไปอาละวาดไปทําละหมาดนี้อย่าเข้าใจว่าละหมานี่มันเรื่องเล่นอย่าเข้าใจว่าการที่จะติดต่อตอนรหฐาลนัวิชาอะไรเป็นรื่องธรรมดาธรรมดามิใช่สลับบรนดาบันประชาชนนุเคราะห์เสมอเพราะเะไร แต่ล้วท่านหนึ่งก็บอกว่าพออีกอรมานี่พออีกอร์มาละหมาดแล้วเนี่ยเขาจะมือมือแตแล้วก็มือขาเนี่สันผมมองงอั้นอย่างน้อยนี่ผมว่าตัวเองอะนะถ้าฝึกตลอดชีวิตเนี่ยคงไม่ถึงนขนาดนั้นกลัอวอัลลอ์แล้วก็ให้ความสำคัญกับการละหมาดเาา ร, ร่งนี้เขายังกระรุษิกจริงๆนะว่า เขามตุดต้มุินมุนกดอ๋มุ hammad ินมุนกัดเป็นยุ้ตั้งยังเข้าบ้านนี่น่าดุมากเพเข้าบ้านนี่นะยคพูดนะดุมากเลยมุ hammad ินมุนกัดแล้วมไที่บ้านน่ะผู้หิงเด็กๆจเล่นกันคุยกันสนุกกันและเล่นกันเมื่อไรให้มุ h a มกัดเข้าลมา รอนี่เขาละหมาดแล้ววะนะเฮ้ยเล่นดาวสบายเลยทําไมอะไปแล้วไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วไปแล้วกว่าจะได้ถึงจุดนี้นะแต่เราเนี่ไม่ใช่แต่เราเนี่ยละหมาดละสะแกนทุกอย่างรู้ทุกอย่างในบ้านนะอืมโดยเฉพาะมือถือท่านพลาดไม่ได้ ف َ م ِ د ا ل إ ذ ا ق ْ و ا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف ا ق س ل و ا ج و ه ك م و أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل م ر ا ف ِ ب َ ل و ة ً رِّيَاحًا نَتَجَدُّ ق َ ا لُسْنٌ هَيْ ث َ م َ ر َ ة ي َ ص ر ُّ ق و ن ِ ي َ ك ُ ن ْ ت ب ل م ْ هَوَهَا النَّبِيُّ تَعَالَى و َ ا ل ن َّ و ل م ا ت ن َ ي َ ة ً و َ ا ل ْ م َ ر ن َ ا م ِ ي ل ْ م َ ر ا ض ُ ن ي ว่าสามารถละหมาดได้หลายวัตตูด้วยการอ่านละหมาดครั้งเดียววันที่ชิดมากะ น, นบี ก, ลก็ละมาดห้าวัตตูอ่านละหมาดครั้งเดียวก็ถือว่าทำได้ฉะนั้นอย่าแปลกใจนะวันนี้มันเคยและฟ้าไ้าเคยแปลกใจนบีทําได้ไงนะบีบอกว่าอัมดันฟ้กันตูข้าเจ้าตั้งใจทําทําไมเนี่ยบัญญตัติเนี่ยอันนีเราเห็นใครจนอ่านเวลาไม่ได้ละห ม, มาดไม่ชี้อะไรเลยเ กับเขารับทานอย่ามีเงินเขาสอัลลอฮ์เขาเขารับปิดชอบเนี่ยไงนั่นแหละมาเราไม่ไม่โกชีเลยไม่ไม่อไนี่นี่นี่อัลลอฮ์กัเราเองเนี่ยควบคุมหายลมไม่ไม่ได้คนอื่นไม่ใช่อ่ะคนอึ่นเขาอาจจะทำได้อะอาจจะ่องนี้ เว่าอะไรที่เป็นข้ออนุโลมนะอย่าเอาความเคร่งครัดของเราเรานี่ชอบทุกเวลาละหมาดอยากาละหมาดไม่ว่ากันทำก็ทํามนะ่แต่จะบงังคับให้คนอื่นทำเหมือนเราอ่นะไม่ได้เรารักษาละหมาดซุนนะรักษาละหมาดซุนนะดีเชิญชวนให้คนอื่นรักษาละหมาดซุนนะดีได้แต่ตําหนินะ ไม่ไม่ละหมาสุนนะไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะคุณศาสนาไม่ได้ทำศาสนาเชิญชวนไม่ได้บังคับและไม่ได้ตาหนิเฮ้ยละหมาสุนนะดีดีนะบุญละบุญดีนะ่นี่เะไรอ่างนี้ไหนก็ได้เชเชเฮ้ยสุนนาเฮ้ยทไม่ได้สุนนาไม่ละหมาได้มันเลยเถิด อาบน้ำละหมาดแล้วมีน้ำละหมาดแล้ว <c oughs> แล้วจะอาบน้าละหมาดอีกอมละมาดขัดยงกันทำได้ไหมอันนีว้ว่าละหมาดซุบอะจะละหมาดละหมาดซุบละหมาดเสร็จแล้วมีน้าละหมาดนะมีน้าละหมาดันนั่นเฉยเฉย เยนละมาไม่เสนละมานั่งเฉยๆอย่างี้อยากจะลุกขึ้นไปอานน้ละหมาดถามว่าและจะละหมาดอะไรไหมจะละหมาดสุนนะจะละหมาดเปล่าจอ่านพดอานไหมจะอะไรไหมเปล่าอยากจะอยากจะเลยเตจดีดูรูดูนี่เป็นมสาที่เราูตจดีดลมาอานน้ละหมาดใหม่แต่แสดงว่ามีอ่าน้ละหมาดเก่าอาน้ละหมาดเก่าก็คือของเก่าแต่ของเก่านี่ มัน <c oughs> ยังไม่เสียงไงแต่จะอับายได้ประกอบสุนัขกิจอะไรไหมไม่ก็ อ, อยากอ่านาละหมาดเนี่ยอุลมามะหลายท่านช่นเอิเตอร์เนี่ยบอกว่าไม่มีแบบฉ บ, บับอันนี้จะอนานนละหมาดใหม่โดยไม่มีเหตุผลเลยนะเหตุผลนะี่นก็คืออะไรคือทำไมบาร์ดถึงแม้ว่ามีนนละหมาดแล้วมีนนละหมาดแต่อยากจะละหมาดซุนเนะ่าก็จะอนานนละหมาดใหม่เพราะทำหนา้ามีนละหมาดแล้ว อยากจะรู้สกสดชื่นจะได้อ่านคุมภีรอ่านสดชื่นจากนั่นละมัดอะพอทนะํานังแต่ไม่มีไอ้บาดาอย่รู้กอยากจะอ่านละมัดใหม่นะอันนี้อุณามาหลายท่านบอกว่าไม่มีแบบฉบับผมอ่านก็ชนะอีกแบบม่มีแต่เรื่องนี้ผมงเลยเะอุณาเราเนี่ยเละเอียดนะไอ้บาดาเนี่ไม่ชินที่ควรจะทําอะไรนี่สาวว่าดีเนะี่ยมันก็เอออ่านนละมัดไม่ดีที่ไหนอนะนะ่ะดีมะดีสิครับ ม, มันจะเร็วตรงไหนอ่ะมันไม่เร็วแต่ถ้าไม่มีแบบฉบับทำแบบนี้มันก็ไม่ไม่น่าจะลำหน้านาวีเออช้นเจ้าอันนาบีจะไปรู้สึกไปรู้สึกอย่างนั้นทีหลังแล้วึงอีกอย่างหนึ่งทึ่งในความสามารถของนักประวัติศาสตร์จะริกติดตามตรวจสอบ เือประวัติวิธีชืววน่นท่านนบียังละเอียดจนรู้เลยว่านบีอ่าละหมาดยังไงแบบไหนกรณีไหนกรณีนี้มีกรณีนี้ไม่มีไม่ธรรมดานะคือจะได้ข้อสรุปว่าไอที่อานแล้วละหมาดแล้วไม่จะมีบาได้เลยนบีไม่ได้ทํานี่จะได้ข้อสรุปตรงนี้เนี่ยมันต้องศึกษาตัวัทนบนีบ ล, ละเอียดขนาดไหนกวจะได้ข้อสรุปตรงนี้ก็สรุปแล้วว่าจะลุกขึ้นไปอ่านละหมาด คกก็บอกว่ังซูอยู่คุณจ้างหน้าคุกจ้าล้างนแต่รายละเอียดของฟุกฮานี่อย่างที่เคยบอกกว่าเาจะพูดถึงรายละเอียดหน้านี้มันจากไหนตรงไหนอันนี้เราก็ข้ามไปนะไม่ต้องตรงนี้ใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปศึกษาได้ในวิชาศึกเราเตรียมอธิบายตวามายอ่านที่ไม่มีความขัดีย้ง หนะ้า <c oughs> ทำไมต้องรังหนะ้าเอาว่าเป็นหลักเกณฑ์กวา้วางๆก่อนนะเหตุผลของอาบนอละมาดเนี่ยมีเคิ็ดลับหลายเคล็ดลับที่ไม่ยังไม่มรู้ <c oughs> และไม่สามารถอธิบายได้บางอย่างเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะรู้ผู้ศรัทธาทุกยุคตุกสมัยนี้นะ เราสามารถใช้เหตุผลบางประการเพื่อให้เกิดความีภักและความพอใจในการทำไมมาิดาเช่นสุดทุดข์ทำไมต้องสุดทุดแบบนี้ทำไมต้องกราบแบบนี้ผู <c oughs> ้สรัทามากว่ากราบแบบนี้เป็นคำสั่งของพระเจ้า รู้สึกในความต่ําต้อยว่าเป็นบบาของพระองค์ทำอย่างนี้แสดงความต่ําต้อยูุสตาแครแค่นี้นะอแล้วรัก <c oughs> แค่นี้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแต่บวกที่มีๆๆนอนๆๆๆๆๆมีมีนอนอยู่ในสมองแล้วทำไมต้องค่านี้ล่ะทำไมต้องแบบนี้กาเปลี่ยนนี้ไม่ได้อะ เปลี่ยนท่าจะตั้ง <c oughs> จะตั้งคําถามที่จะส่งข้อสงสัยต่อบัญญัติของอิสลามวมนะมะหนมันไม่จบมันไม่จบทำไมรู้ป ะ, ะถ้าไม่เอาแบบนี้สุดไเงียเอาแบบนี้มันก็น่าจะมีคำนบแล้วทำไมแบบนี้ล่ะอะ แต่นี่คนเบอกว่าเอาไมอาแบบนีเ้เอาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วทําไมแบบนั้นนะ่ะทําไมไม่แบบเนี้มันจะไม่จบแต่มันจบที่ว่าทำไมแบบนี้นะเพราะเจ้าสั่งจบนะมันจบไม่เป็นไรสําหรับผู้ศรัทธาที่จะไปหาเหตุผล <c oughs> อื่นๆในการที่จะเสริมความความประทับใจในบทบรรย ง, ยงวิลระเช่นรนักวิทยาศารก็บอกว่า เราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีคลื่นคลื่นไฟฟ้าเยอะแล้วการสูยู่เนี่ยสู้ยู่แต่และครั้งเนี่ยมันเป็นการระบายคลื่นไฟฟ้าที่มันเกินเกินความต้องการเออดูเหมือนว่าใช่นะเพราบางคนที่ชอบนีเวลาละหมาดจะรู้สึกเขาสงบนะแสดงว่า ของช็อตนี่มันมันออกไปเป็นไปได้เป็ น, ปปนปไปดแต่ยายติดอ๋อนี่เอาวาดแล้วนี่ไประบายไฟฟ้าหน่อยคือสมัยอับดุาเบีรยร์ดีเนี่ขอให้เรามีความสบายในคันละมาแต่เราจะเอาเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ี่มามาอธิบายเรื่องละหมาดทั้งหมดเลยนี้อันนี้ไม่ใช่แต่พอที่จะตื่อมได้นะครับ บางคนมองว่านุษย์นี่นะมันมันคู่กับอิบลิสอิบลิสมันครอบงำอยู่และอิบลิสเนี่ยมันช่างตะการบดเหลือเกินจ่้าอิบลิสนี่อาไม่ผูไม่สจุดรทำไมอ่ะนั่นน่ยไฟมันน่ะดินอ่ะ ไฟเนี่ยเนีืยกว่าดินอาิลสมาครอบงำมนุษย์นี่มนุษย์ก็ต้องตะุแน่นอนอิมลสมันสามารถหลอกมนุษย์ได้นะแกน่ดีกว่าฉันนะแกเป็นดินฉันเป็นไฟดินดีกว่าไฟเออมันยอมเปลี่ยนทฤษคตนะขอให้มนุษย์นี่หลงละกันฉันเปลี่ยนไม่ได้เออมนุย์กกลตีะ ลูกศิษย์อิบลิสบางคนเนี่ยรู are, ้สึกว่าเก่งกว่าอิบลีสนะอิบลิไม่ยอมสุญูดมโนบอกว่าเออการสุญูดเนี่ยมันเป็นการขับไล่กิเลสแห่งความหยาดโสตะกบุกเพระมีฮาดีสวดุลขันนบีบอกว่าพอมุสลิมสุญูดแล้วเนี่ยสีร้องให้แล้วจะรำลึกถึงเรื่องแรกนี่แหละ อินนี้จะร้องไห้ถูกสั่งให้สุดญุตและไม่สุญุตแต่มนุษย์เนี่ยสุญญุตก็จะเสียใจการใช้ละหมาดหรือกิริยาของละหมาดในการอบรมขัดเกลาก็าจะมีเหตุผลแต่ละคนเนี่ยสามารถคิดได้ไม่มีบ้างแต่สิ่งที่ทำให้การละหมาดของเราหรือการอาบละหมาดของเรามีความลึกซึ้ง นั่นก็คือพยายามนึกถึงเหตุผลที่ทำให้การอาบน้ำละหมาดนั้นมีประโยชน์มากกว่าการล้างอวัยวะและนี่คือข้อแนะนำของบรรดาอุลมามะที่มุติเรื่องัอสรารุตปาอัสรารอุปข์ของคำว่าซิรซิรเอกพุทธไปว่าความลับ หรือเคล็ดลับสกิลเซอร์รเทวสกิตแล้วทำไมเป็นความลับละ่ะมันไม่ได้เป็นความลับหรอกมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุลต่านอวยาแลาใช้ให้เราค้นหาคือความสวยงามความทรัพย์สินในบาดาลต่าง เหมือนคุณพ่อซื้อนังสือให้ลูกเยอะแยะเลยมีความรู้เยอะแยะเลยแล้วบอกกับลูกเนี่ยในห้องสมุดนี้มีนังสือเยอะเลยและมีความรู้มากมายลูกก็บอกกับพ่อพ่อบอกสิพ่อไม่บอกทำไมอยาเป็นความลับอ่ะไม่เป็นความลับถ้าอยากจะรู้เข้าไปอ่าน การละหมาดนี่นะมียอยะเลยการอ่านละมาดมีขึบนมบเยอะยะเลยอยากจะรู <now> ้อ you. ัลลอฮไม่ได้ห้ามไม่ได้ปิดกันถ้าเราเข้าไปทาไยบ้างตามขั้นตอนตามหลักการตามการแน่หแนวของอัลลอฮฺสุนเราจะพบอะไรที่คนอื่นอาจจะไม่พบการล้างหน้าทำไมล้างหน้าแล่นหนอ หน้านี่ก็เป็นส่วนสำคัญของอวัยวะของมนุษย์ใบหน้านี่หน้าไทยไหมหน้าภาษาอังกฤแน่นอน face ใชบ่อย ก็จะถูกใช้เขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์หลักในในภาษาศาสตร์นี่เขาก็คำศัพท์นี่มันจะเป็นต้นตระกูลคำศัพท์ตระกูลเนี่ยจะรากงอกมาจากคำศัพท์แรกหน้าหัวหน้าแนวหน้าอะไรก็นหน้ารากหน้า อะไรเงี้ยอ่ะีอะไรเงี้ยมีอะไรไม่มีเลยนะืหัวหน้า้อิหน้านะน่ารอินตะสิน่ารั ทำไมเขาบอกว่ามือรัดนี่ปะ่ะมือรักหูรักเขาเขาบกว่าหน้ารักอือหน้าดูแล้วเราจะเตะนะเขาจะหน้าเตะเหมือนกันนะแต่เขาไม่เตะหน้าอือทำไมอ่ะอ่นี่คือนี่คือเครดิต สิ่งที่งอกมาจากสิ่งที่ทําให้ทําให้เราจะมีปฏิกริยากับอะไรอ่ะนะก็สิ่งที่มันมอยู่ข้างหน้าล่ะนั้นแหละที่มีความสำคัญเห็นอะไรนั่นหน้านี่นะที่ทําให้ต้องเตะเห็นอะไรหน้าที่ต้องต้องดูตรงขงา้างหน้าล่ะว่จือก็เหมือนกันว่าจีนจะนี่มันซาหรับเลยนะ ประเชิญอะไรนะประเชิญหน้าไม่ไม่ประเชิญไหลไม่ประเชิญประเชิญหน้าช่าราเรียกกัมุอาจ่าเฟซิ่งหน้านี่ก็เป็นสำคัล้างสิ่งแรกที่มีบางคนล้างหน้าอะมาจึงบอกว่าคุาณอ่านนิพูดถหงอะไรเกี่ยวกับอนนะไรมานี่คือวา j ิบ อย่างอื่นไม่ใชีวายดบสุนนะนาบีนะให้ล้างมือก่อนล้างหน้าใช่ไหมให้ล้างมือก่อนแล้า ง, น, างนบ้วนปากก่อนนะเนี่ยบุละมาหลายท่านจิ้งูุ้นนะจะิุละมาสมากนะเขาบอกว่ า, วาล้างมื อ, อบวนปากนี้ไม่วาจิเป็นสุนนะทำไมอ่ะไม่มีระบุที่นี่ที่นี่นี่ก็คือสิ่งที่มันวาจิตรงทํามทุงไม่ได้เลยก็มีผลระดับหนึ่งแต่เราเชื่อนะครับถ้าไม่ยงเนี่ยว่าวาจิบเนี่ยไม่ใช่ว่าในกุราน แลยผู้หลัแต่ผู้หลันจารบุถึงสิ่งที่มันมีเคล็ดลับอันเนี้ยที่ที่ผมที่ผมเห็นว่ามันน่าจะมีน้ำหนักคุณอ่านจารบุการล้างอวัยวะที่มีความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่หมายรวมว่าเอาวัยวะอื่นเนี่ยไม่ให้ล้างใช่ส่นน่าอาจจะมาเสริมได้หน้าล้างหน้าทำไมตื้นๆนะครับเรา ละหมาดนี่ถ้าเราฝึละหมาดนีต่ต้องหันไปไหนอะหันหันอะไรนะหันหน้านะต้องหันหน้านะหันหน้าไปยังกิ่หลักเพราะจากหนังสือนี่ผนะินนะบ า, างคนมึนผินนะการหันหน้านี่แหละผินนะ อันหน้าไปยังกิบลัดนี่มีอะไรทีสํามั้นหรือซิครับท่านนบีสุลลัลละฮ์สันนั่งในบอกทุกคนนิลามาเนี่ยเท่ากับหันหน้าไปยังอัลลอฮ์อุรอ่านบอกนี่บกกเราดูมามะรบะเบาน่มาตุวลูฝ้าย่าจูอลลอฮ์สุจาวพหน้าไปหนนี้ก็นั่นคือพระพักของอัลลอ์ในชิมาลว่า อัลลอฮ์จะเอาเขาไปไหนาหันหน้ามาหนึไม่ใช่ไม่ใช่แต่ให้เราสิ้นแตนอาการว่าเราละมัดเหมือนว่าอัลลอฮอยู่ต่อหน้าเราสินแตนอาการอัลลอฮยูต่อหน้าเราะสัมมาวจุหุลลอฮแล้วหน้าเนี่ยคำว่าหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของอะไรสักอย่าง อะไรก็นหน้านี่ก็คื อ, อร้านเนี่ยดีทั้งร้านเลยอะ่ะแต่จุดที่สำคัญที่สุดนี่คือที่ไหนนะหน้ า, าร้านทำไมต้องหน้ า, าร้านข้างในก็ที่นอนเยอะนะื้อดีๆก็ทีนนก็เยอะเนะืที่นอนหน้าร้านเนี่ยม่หน้ า, าร้นานไมไขหมอนไขอะไรก็แต่งนะ่ะเห็น จำเปจริงถ้า Allah บอกกระซิลูจ <sur sa id ain> <ouch> ูฮุบุมจงล้างใบหน้าล้างส่วนสําคัญของอวัยวะของท่านไปเพราะอวัยวะนี้แหละที่เราจะผินหน้าไปยังกิมลัดไปยัง Allah ผินหน้าไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามุ่งหาในการละหมาดในการที่จะเคารพศรัทธา ย้อนกับอาทิตยที่แล้วรับูถึงประโยชน์ของการอรักมาในการล้างความชั่วล้างความชั่วดูสิมาจากไปทำงานนะ่มาจากข้างนอกนี่นั่งแท็กซี่นั่งรถเมยนั่งมอเตอร์ไซค์นี่ก่อนเข้าออฟฟิศเนี่ยน่าจะอะไรนะล้างทั้งนั่น ฝุ่นมันเต็มฝุ่นตลบกินควันไอน้นะคาบน้าําปลาไข่ดาวกินแต่เช้ากินชั่วกะลึกล้างหน้าหน่อล้าง่ะ้าล้งหน้าโดนไปเจอเจ้าน่ายเจ้านายเห็นหน้าดําจุดตุ่นมีแต่ควันมีแต่ฝุ่นมีแต่ล้างหน้าลัางหน้าทั้งนั้นี่ข้างในเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันเงา ท, ทั้งเมื่ั้งม็นนังอะไรแต่ขอให้ล้างหน้าสําคัญที่สุดนะที่มันสุดยอดของวิทยาศาสตร์ที่ที่สุดล่าสุดว่าการล้างปลายอา ว, วัยวะหน้านี่มันส่วนหนึ่งของศีรษะเอ า, าไม่ได้บอกว่าให้ล้างศีรษะล้างอะล้างหน้าอย่างเดียวนะล้างศีรษะนะปลายอา ว, วัยวะ มือนี่ก็ให้ล้างมือถึงศอกี่อินเลมารอสิเท้านี่ก็ถึงตะตุม่มปลายอวัยวะชาวญี่ปุ่นที่เขาพิสูจน์แล้วว่าน้นํานี่มันดูดดูดอะไรนะมันดูดทุกสิ่งทุกอย่างในด้านการของเราเนี่ยมันดูดแล้วก็พิสูจน์ยังไงนะอ่ะเท่าน้ํานี่เท่าน้ำมานดินะแล้วก็พูดคําพูดที่ดีครับ ที่ไม่ดีเอาพูดเขาบอกว่าพูดเลยแบงก็อกเป็นคำพูดที่ดีไหมําว่าแบงก็อกหรือกรุงเทศเมืองที่เมืองเทวดาบางภาษาแปลว่าเมืองสวรค์แต่ชาวญี่ปุ่นนี้เนี่ยเขาเอามาเอาน้ำที่ เอ่ยคำเนี่ยแบงขอกรุงเทพนี่นะเอามาดูในตุลทัศนีปรากฏว่ามันอยู่ในสภาพที่น่ากเกลียดมากคำไม่สวยเลยเ อ, เอาน้ำเอาน้ำนี่แล้วก็เอ่ยคำพูดที่ดีขอบคุณย a ระ k ับเล่าใครรันวิสบีไลน์โอ้โหภาพของน้ำนี่มันสวยมากจากทิปนีเนี่ยเขาใช้น้ำในการรักษาบำบัดรูร ทางจิตใจทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนนี่มีรูปจิตใจนี่นะร่างกายของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเพอเอาน้ำเขาบอกว่าเอาน้ำนี่มาล้างตาาไอ้อวัยวะต้านตัวมันจะดูดการซึมออกของสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะออก เพราะดการอาบน้ำและมาทุกครั้งเนี่ยนั่นี่บอกล้างหน้านี่มันจะล้างบาบไปด้วยทุกส่วนออกพร้อมน้ำทุกหยดบาบมันที่มองด้วยตานี่ยล้างมันมันที่ที่พูดด้วยลิ้นเนี่ยมันก็ออกที่ล้างมือที่ทําทุกส่วนดีนิ้วนี่ ตามนิ้วนี้แต่เนียตัวก่อนนู้นะนิ้วนี้เนี้ยรายที่สุดภาษาอับบฮเริีสบบบะาบะบะตัวด่าตัวดาลดานีดนไทยก็เหมือนกันนิ้ชีเพราะเวลากใครเนี่ยเขาไม่ชี้เขาไม่ชีมืนเหมือนนะ แต่อะหลังเขามีปัญหานเรื่องชี้เขามีปัญหานชี้ได้แต่ย่าด่าแต่ส่วนมากคนด่านเนี่ยมัก จ, จะใช้ชี้แต่เรื่องนี้เนี่ยไมัมนสามนิ้วแล้วนี่สามนิ้วเนี่ยมันควบคุมมันควบคุมสัตที่ร้ายแรงสุดในโลกนี้ซึ่งสามนินี่มันควบคุมอะไรอะ่ะจเมา นิ้วขวานิ L L native, ้วซ้ายนิ้วซ้ายแ้นูี่นบีบอกว่าฟัวซิก้าิแปลว่าสักรายสักร้ายแ้คนี่มีอุดมการณ์านศาสนานี่วลาเขาูถึงเมานี่นะก็ไม่ใช่คำว่าเมาห์เขาบอกว่าอิดดูอัตตล้วฟวซิคก้าเผลอให้นึตลอดเลยว่าไอเมานี่มันมันักรา เมาหน่มันก็ยังเป็นสัตว์ ร, ร้ายนะครับเมาคอมนนิมันก็ยังเป็นสัตว์ร้ายอยู่ดีอยู่ดีดูดี่าสาไทยดูตรไหนเอะอาบน้ำละหมาดนะไอที่ไปกดเวยนิ้วมันอะไรอาะอรหิม a l l หนะไหลมาหมดพอเขาละหมาดน่ะ แทนที่จะให้ละมานีเป็นสิ่งที่ลบล้างความบิดเบี้ยไม่เลยอ่าละมาช่วยได้เยอะแล้วการละมานี่มันก็จะยกระดับขึ้นขึ้นแต่อ่านนอัลอานอัลล์บอกว่าไงกันล่ะ ط ع واسجد و ق ت ر ب ر ع ى ف الذي ينهى อับดุลอิดอัลสล์เจ้าเห็นหรือเปล่าผู้ปฏิเสธศัทธาที่ห้ามเบ้าของพระเจ้าไม่ให้ละหมาดเขาเห็นนบีเห็นสาวกนบีละหมาดเขาห้ามเขาไล่เอาเหินคว้างหินอะไรแต่เองนักอัลฮุดะไม่เคยคิดหรือว่าคนที่ละหมาดไม่อยู่ในแนวทางที่ต้องไม่เคยคิดบ้างเอาอัมวรบิสตะกวา คิดเลยว่าการละหมาดนี่เป็นคําสั่งสอนให้มีตะก ua กให้เยี่ยงเกรงเอามาไม่คิดเลว่าคนานี้ละหมาดเนี่ยทําให้เป็นคนดีหลายคนนะครับที่มุสลิมไปขอละหมาดทานานแล้วไปขอละหมาดเขายเลยนะนี่แตพวกมือเทือกอย่าเงเดียวนะครับเพามุสลิมไปขอละหมาดนี่ไม่ให้ผูเป็นเจ้านายจ่ายตังค์จ่ายเงินเดือนละหมาดหักเงินเดือ น, นี่อันนี้โง่ถ้าคนที่รู้นะโอมุสลิมละหมาดนี่แสดงมุสลิมขี้งัด แล้วมาในละหมาเลยเขาต้องการคนละหมาดเพราออะไรคนนี้ละหมาเนี่ยเขาเขาเป็นพระเจ้าไงโอกาสที่จะกองเงินที่จะรักทรัพย์ที่จะทุจริตเนี่ยจะน้อยลงเอาอัมริตตกวาสุดท้ายสุดท้ายสุรันี่วิญญาวนั้นสเขาเคลื่นละละถูกเต๋อเยอะเชื่อฟังมันคนนี้มาห้ามเจ้า คนนี้ม่ขัความเจ้าไม่ละมา่เลตูเตู้ยเชื่อฟังเขาุจูนแล้วมันุจูดวักตริละเข้าใกล้เข้าใกล้จะเข้าหาเข้าหา a l อ่านละมาเสร็จแล้วละหมาดนี่แทนที่จะลบล้างความอีเดียงเดียวเนี่ยคือเข้าใกล้ a l ะเข้าใกล้ เราลองคิดดูสิคำนวณเป็นตัวเลขนะระหว่างดูรี่ถึงอาร์สตินทำความผิดมากี่บาทกี่เรื่อง <c oughs> แล้วอาบน้ําละมาดนี่มันสามารถลบล้าง <c oughs> ได้เท่าไหร่เอาสมมติว่าทําบาปตั้ร้อยครั้งร้อยอย่างอาบนา้ําบาดนี่มันจะล้างสักเก้าสิบสแปดสิบเหลืออีกสิ <c oughs> การละมาดก็เป็นการลบล้างความผิด <c oughs> ถ้ายังเหลืออยู่นี่ก็หลั ถ้าอ่าะละหมัดไม่ดีนี่มันยังเหลืออยู่เยอะการละหมาดนี่มันก็ิการที่คุณว่ามันก็มีแต่เทคนิคในการน้ำละหมาดและละหมา ด, มดให้สร้างภาวะผู้ศรัทธาที่ที่มี ม, มีมีวัคซินมีมียาต้านเชื้อของบาปของความผิดนี้นะนี่นี่คือความเฉลหลาดของเราทุกเวลาละหมาดนะพยายามนะพี่เพอน ทำโน่นละมานี่มันเกี่ยงถ้าทาได้นี่นี่ละก็ที่อัลลบอกว่าอินนัละันะกชัลมุกาจะทำให้เรายบยังไม่ทาความชัวความละอย่างน้อยนะไม่ทาตลอดทาไมอ่ะาวตถึงเวลาต้องจะจะกล่า ถึงไ่าคนเขาเขาคำนวณอย่างนี้แล้วเล่ามันก็บาปนะแต่ฉันเลิกไม่ได้แต่ฉันมีวิธีอัลลอห้ามไม่ให้ละหมาดในขณะที่มึนเมาใช่อ่าเขาคำเขาคำนวณเขาบอกว่าฉันมีเมานีถ้ากินขวดทั้ขวดเพราะฉะ น, นั้นช่วงระหว่างดุรี่อสีฉันกินสักแก้วสองแก้วก็ไม่เมา กินขวดทั้งขวดนี่เนี่ยหลังสุโบ่เนี่ยหลังอิชาเนี่ยเขาก็คำนวะณนะคำนวณเออฉันก็มีมีโอกาสที่จะเข้าสำหรับคนที่กินเหล้านะขอโทษ น, นะทรมานนะ <c ười> มทรมานสิครับต้องมาจัดตาราง น, นะเราต้องดูด้วยไอ้ยอีย่ยห้อนี่ลิ์มันแรงว่ะนี่ไอ้นี่ตรงท <c ười> รมานนะครับสำหรับคนที่ชอบกินเหล้าทรมาน แต่เขาเป็นนิสถธาต้องละหมาดนะเขอาขอุตส่าห์เขาเลือกแล้วเขาต้องละหมาดแต่ต้องกินเหล้านนะเอาไม่เป็นไรเขาก็ยอมทรมานก็ถือว่าละหมาดนี่ก็ยังเย็บยังใช่ไหม ย, ย็บยังแต่ถ้าเอาแบบคนนี้อยากกินเหล้าตลอด่ะนะ <c oughs> ไม่คํานวณหรอก <c oughs> กิน <c oughs> มันกินนะเขาเขาเขาเรียกคื อ, อมันพาเนีไง รินแก้วแรกกันะอุ่แหม่ทอย่างจะเคยกินออเอ็งไหนไหนไหนเอ็งไหนยิ่งได้เป็นพักพวกแล้วก็มีแบบนี้อย่าเป็นไปคุยไปเรื่อยเปื่อยกินกินกินินกินไม่รู้สึกตัวนะครับอัลลอฮฺบอุลลอห์มาถึงเวลาอาซาลแล้วเนี่ยเออย่างนี้แหะอย่างนี้ล่ละละหมาได้ไหมฮาม เขาบอกกูไม่ได้ฉันไม่เคยทิ้งละหมาดฉันต้องละหมาดบาปนะครับละหมาดละบาปนะน้าตัดตัวุตรตอแล้ต ะ, ตตตะวันตุมสุกเนีิยะเขาเคยละหมาดขณะมืนเมาแต่คนนี้ยังเกรอัลลอฮฺ Allah และก็ตั้งใจะละหมาดสาคัญสําคัญกว่าเล่าด้วยนะเขาต้องระวังนี่การละหมาดก็ยับยังยับยังแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับคนที่รักษาละหมาดรักษาละหมาดและติดเล่า ถ้าใครเจอเนี่ยมาบอกผมนะอคนที่ติดเหล้านี่นะต้องเป็นคนที่ละเว้นเรื่องละหมาดอย่าง น, อน้อยในสักวัดตูนึงต้องคือต้องปล่อยแต่ถ้าคนนี้รักษละหมาดนะทุกวัดตูตอนตามเวลานะไม่ติดเหล้าแ น, น่นอนนี่คือ บ, บทบาทของการละหมาด ก, การประอญญกอบศาสนามยิ่งใหญของอิสลามและความเมตตาของเราเนาะเพราะคนที่มึนเมาคนที่ชอบกินเหล้าเนี่ย อาม่าก็ยังไม่ได้ขับไ ล, ล่อาม่าแค่บอกว่าอยากเข้าละหมาดขณะมึนเมาทําไมอยมันไม่เหมาะเราอัลลอฮ์ต้องการคนที่คุยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยให้ให้รู้เรื่องก่อนให้หายมึนมาก่อนแล้วก็ยังเข้าได้นะนี่คนนี้คนที่เมาหน่ชอบกินเหล้านีิละหมาดไม่ได้อ่ะละหมาดได้ต้องลมาดนะคระแลอัล ร, รับหรือไม่รับ กินเหล้านี่ล่ามาเนี่ยอัลลอฮฺไรับเ่องแบบเล่วมากินเหล้าอัลลไม่รับล่ามาดิไม่จริงข้อเท็จบอกว่าคนกินเหล้าอัลลอฮฺไม่รับไม่รับล่ามาสี่สิบวันข้อเท็จริงถึงแม้ว่าเขาพิสูจน์ได้ยินว่าเขาทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแอลกอฮอล์นี่มันอยู่ในในเลือดนี่สีสิบวันนะผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนั่นแหละแต่เกี่ยวกับอักกามละการศาสนาเนี่ยกินเหล้า ให้มินเมาละมาได้ไหมละมาดแต่ต้องเรียบร้อยนะอะถ้าไม่เมาก็ต้องอาบ น, น้ำละหมาดล้างปากแตให้มีกินที่ผมพูดจะพูดท่านอย่างกับพูดท่านเป็นคนมีกินเล้าไม่ใช่ครับคือถ้ามีใครที่ท่านรู้จักเขาละหมาดเนี่ยตือนเขาเรื่องนี้เราเนี่มีหน้าที่ที่จะบอกตามที่อัลลอฮฺบอก อัลลอฮ์ไม่เคยขับไล่คนที่ทําความผิดทำบาปถึงแม้ว่าเป็นบาปใหญ่ก็ตับตอนละเตือนอัอยานี้ัยยานิสุโจนละตะรับุสซลาตอวันตุมซุการพรวกเจ้านี่มึนเมานะอยา่าใกล้ละหมาดเลยฮัดแต่จัาละงูมาตะกลูนจนกระทั่พวกเจ้าสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกท่านวาจาพูดไว้จะสรรเสริญอัลลอฮ์ ถ้าคนนี้มันเมานี่ไม่รู้เลยกําลังพูดกับพ่อแม่นี่ด่าด่าดาันไม่รู้ตัว น, นักเข้านักมาดินด่าอัลละฮ์อยุ่งเลยยุ่งเลยอะพ้องเ อ, อาอะไรพักเก็บเก็บตัวก่อนล้งหน้าแต่ว่าไอ้คนนี้น่าจะอยู่นานนะน่าจะอยู่นานกับเราเพราะ ไม่แบกนะเราอา่านแล้มอ่านวันละกี่ครั้งก็พี่น้องถ้าศึกษาอายะนี่สักเดือนเบื่อไหมถ้าเบื่อก็จะได้เปลี่ยนอายะที่เจ็ดต า, านั่นเรมานทุกวันถ้าเราได้ความรู้ที่สามารถทําให้การเทย์มาไของเรามีคุณภาพมีคุณค่ามากขึ้นอย่าเบื่อผู้อิจฉา <c oughs> ผู้อิจฉา สายตาร้อนสายตาโตอืมอุ้ยเสื้อสวยจังหมูนุชสวยจังสตัดมติดเลยอีจ้านี่บรมีนบีบกอนฮตีาีิง โมูป่านิชาอะไรเลทังคนแข็งแรงเนี่ยอันนี้ฝ่ายมุสลิมแข็งแรงเนี่ยอาบน้ำก็เลยถอดเสื้อสาบ้านทนหนึ่งเห็นตัวเห็นผิวเขานี่ขาวโอ้หขาวจังแงเนี้บ้านเรานี่มีเยอะนะโอ้ยสมบูรณ์โอ้ยขโมกป้าบาที่กำลังอาบน้ำนี่สุดเลยน้มเลย ล้มเลยแต่นี่สามัคคีอยู่ด้วยกันเนี่เขาเห็นไงคนนี้เห็นนี่คนนีบอุทานขึ้นมาโอ้เขาก็าเลยไปฟ้องนาบีเลยนับีก็ปาระนามแลวสั่งให้คนที่อิจฉานี่ทำอะไรครับล้างปลายอวัยวะล้างหน้าล้างมือแขนก็ได้ล้างปลายเท้า บางแรงงานบางแรงงานบอกว่าให้ล้างที่เอวที่ล้างเนี่ยน้ําที่ลหลั่งไหลทั้งหมดนี่ให้ไปอยู่ที่กระมังใหญ่แล้วเอากระมังใหญ่ที่มีน้ําที่ล้างจากลายอวัยวะเนี่ยไปเท <c oughs> ไปเทบนบุคคลที่ถูกอิจฉา แต่ไอ้ชามุสลิมแค่ไหนก็ว่าอีกสตุซิลตุมฟังตัศิลูแต่พวกเจ้าถูกสั่งให้อาบน้ำให้ล้างมีล้างเน่อยเนี่ยที่ไม่ด้สถ้าสงสัยใครว่าเป็นผู้อิจฉาถ้าสงสัยใครว่าผู้อิจฉานี่นะถ้าเขาสั่งให้ขอล้างหน่อยฟังตัศิลูตจงล้างทำไมอ่ะหนึ่ง ถ้าเป็นคนดีไม่ได้อิจฉานะการยอมรับเนี่ยแสดงสปิริตไม่ใช่ไม่ใช่ผมแต่ผมล้างให้เอแสดงสปิริตตายก็ได้ผมไม่ผมไม่ได้อิจฉาถ้าเป็นคนดีอิจฉาเป็นต้นเหตุนะต้องรับผิดชอบสิเป็นอิจฉาเขาเนีจนสุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ป่วยเงี่ยกว่จะรักษาตามขั้นตอนนะหายป่วยจากอิจฉานี่อาจจะนานแต่อันนี้เนี่ยเร็วเหมือนคนที่โดนของ เดินโดนของถ้ารู้คนที่ทำของนี่นะต้องไปหาก็เลยของมากขึ้นมาทําไมมันสั้นแงรักสัยง่แต่ถ้าไม่รู้ของนี่ก็ไปเก็บที่ไหนนี่โอรักษ า, านะอัจาริยะเหตุผลนี้เราต้องการพิจารณาคนที่ฉาอิฉ า, ามาจากไหนอมาจากตานี่ตานี่เป็นสิ่งดีฉาแต่ทำไมให้ล้างอวัยวะ แลังอานนี้จะมีล้างหน้าล้างปลาย เ, ลเหมือนอนันเะหมาดคล้ากับอ่านเนื้อละหมาดทไมอะ่ะมีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วให้หผล <c oughs> เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีรังสีของมันที่นี่เนี่ยนี่เนะี่ยกล้องนี่มีมรังสีไฟนี่ก็มีแสงมีรังสี ตัวเราเองก็มีรังสีและรังสีนี่มันมีสีสายสี อ, อร่าอะไรนะ อ, อ, อ, อ, อะไรนะอร่ามันตดวนี้มันเป็นอะไรคล้ายๆสายสัอืมคล้ายๆสายสัแต่ไม่ใช่การยอมรับว่ามันมีไม่มีมมมมรังสีนะมีรังสีมีจริง แต่เราอยากจะเข้าใจเหตุผลว่ามีไม่รังสีที่มันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์มีมีรังสีที่รักษาโรคมะเร็งมีไหมมีรังสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากแสงดวงอาทิตย์เนี่ยที่ทำให้เป็นมะเร็งมี เแล้วจะไม่มีรังสีที่ออกจากร่างกายของเราซีบเนื่อนจากความรู้สึกมีไหมเดี๋ยวนี้นะเนี่ยออราเนี่ยเขาได้มาเพิ่มพูดแล้วว่าเรานี่บรรยายสามารถเลือกรังสีตอนพูดคุยอบรมเชยและทําให้กับพูดเรานี่มีน้ําหนักมันจะมีรังสีที่มีอิทธิพลแต่แล้นเขาบอกว่าคนที่บุคลิกเข้มแข็งนนะ่ะรังสีของเขานี่ไม่เหมือนรังสีคนที่บุคลิกผ่อนแอ ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะอันนี้อันนี้ถ้าเชื่อนะถ้าอิมานนะบาปไม่เชื่อก็ได้นะมาน่ว่าฟังแล้วสบาแต่าพยายามให้เหตผลนะ่คนที่มองเนี่ยความโกรธความแค้นอยู่ข้างในในใจเขาเนี่ยวโอ้ ย, อยรถมสวยกูไม่มีเสวยจัง มีโอกาสไหมอาจจะเป็นเรังสีที่ออกแล้วรังสีนี่จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เขาอิจฉาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเหล่านี้เนี่ยรังสีหรือสิงเหล่านี้อัลลอฮฺสุบไพนะอาลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งที่มันจะยับยั้งมั น, นคืออะไรครับเป็นไปได้ถ้าเราเป็ผู้ศรัทธาเราเชื่อบาปและความชั่วสามารถสร้างความอ่อนแอแก่มนุษย์แก่ผู้ศรัทธาไหม เวลาทําบาปแล้วรู้สึกโสีใจแต่เวลาเตาบัด ต, ตัวกับเนื้อกับตัวจะรู้สึกสดชื่นทําไมอ่ะเพราะการเตาบัดตัวนี้มันลบล้างบาปบาปที่มันอาจจะมีผลกระทบเหมือนไวรสัสเหมือนเชื้อโรคอย่างไรบาปนะอาบน้ำละมานี่มันมีบาปที่ติดตัว แล้วนบีบอกว่าน้าและบาดนี่มันสามารถล้างบาปจนออกพร้อมน้ําทุกหยดคู้ศรัทธาเทนั้ น, ท, นที่เชื่อนะแล้วก็ น, นี่มันจะล้างบาบบาบมันอยู่ตรงไหนอ่ะอะมือไปขโมยอย่างเงี้ยบาบมันติดมือต้องสาว้ตัดมือหน่อมันเป็นสนัญลักษณของบาบบาบมันติดมือแต่พอล้างแล้วเนี่ยบาบนี่มันออกพร้อมน้ําทุกทุกล้าง เป็นไปได้ว่าเรื่องอิจฉาริษยามันก็คือบาปอย่างนึงเป็นบาปใหญ่ด้วยนะที่มันอยู่ในสรีระในร่างกายของเราศาสนาก็บอกว่าให้ล้างสิ่งเหล่านี้ด้วยการล้างอวัยวะอายอวัยวะก็เป็นไปได้ว่าการอาบน้าละหมาดนั้นมันสามารถล้างความโกรธความแค้นสิ่งโสโครกต่างๆที่มันอยู่ภายในจิตใจของเราด้วย เช็คเช่นที่การล้างเอาไว้แล้วว่าไปวันนี้มันล้างอิชาริสยัยเพราะฉะนั้นล้างเอาไว้แว่าล้างหน้าล้างมือถึงแขนล้ า, ลางเท้านี่ในอัอ น, นละหมาดนะนะมันจะทำไหมมนุษย์มุสลิเีเนี่ยเข้าสู่การละหมาดด้วยจิตใจที่สงบมุมมองที่อยากจใจพี่น้องเบลมดถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ เ ป, เป็นไปได้เพราะอัลละฮ์ไม่ต้องการที่จะเห็นบบาพระองค์ที่ละหมาดมือนี่สะอาดตัวเลยก่อนอานน้ำละหมานี่ก็ถูสบู่อย่างนี้แล้วก็อาบน้ําละหมาดให้หอมให้ดีให้สุดแต่ข้างในหัวใจนี่มันดําปึด๊ดมันไม่ใช่ว่าถูประสงค์ของการละหมาดมีให้ดูข้างหน้าเนี่ยดูดีดูดขาวดูสะอาดแต่ข้างในโสโคร นต่นนการอ่านนะมานี้พูดได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นการล้างอวัยวะเพียงภายนอกแต่มันเป็นการล้างอวัยวะสําคัญสําคัญภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจด้วยก็ไม่แปดถ้าเรารู้ว่าสุนนนะนบีพะ อ, อ่นานนัตประมัดแล้วให้กล่าวดูอาอะไร สามนี่ไม่ให้กล่าวในใจนครับช่วยตอบครับ อ, อ่ะดังดังนิดหนึ่งคนนึ่งใครผมพูดอยู่คนเดียวผมก็เหนื่อยน ะ, ะมีไหมใครให้กล่าวด้วยมีดูอาอ่านแล้วละมาะมละาอาลกีดูอาจำได้ไหมอ่ะดังละหมา หลังอับนนละมาดมีสิ่งที่เป็นการกระทําและสิ่งที่เป็นนัวาจาที่เป็นมาะชัาเลยที่เป็นการกระทําหนให้ทำอะไรหให้ทําอะไรครับตายตายฮะหันหน้าแบงกิบลัไม่ใช่หันหน้าเป็นอะไร أنا ب ي ن ف فا ف لغزني يذنا أشهد والله ا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله اللهم ا جعلني من التوابين وجعلني ا من المتطهرين يلا إما اه س ن ت ي มีดูอาปิดประชุมมาที่เราใช้กันก็เป็นดูอาที่นบีบางครั้งก็จะกล่าวหลังอาบแล้วละมาสุบฮานะอุลมอเบฮัมดิกอัลชาดุลลาอิลาอิละอัลลฮฺอัสตฟรุกวาอตูบุไลต์ตาะอติดนะนะครับอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺซลลอฮฺอานบีนะมุฮัมมัดวะลาอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺออ าดามาประกอบเพราะฉะนั้นดีสำหรับการ่ะไมาหนี่ให้เรามาสุนนะอุดุชหถ้าอันนั้นเมาจะรามาสุนนะอุดุดังดีโทรศัพท์ผมอะแบกห่มมไบ แบนหมดมันดับกันหมันวันที่สามที่เ็ด <c oughs> ได้ยินใช่ไหมการละหม่านให้ใช้น้ำเยอะแต่ได้บาปออกเยอะนี่แหละคือไอเรื่องที่มันเป็นนามมาทำานะดันเอาเอาให้มันเป็นรูปมาทำให้ได้ ทำไมอ่ะแล่อยดเดียวไม่สามารถล้างเยอะเหรอคือที่จริงเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกครับว่าไอ้น้ํานี่มันจะล้างบาปยังไงมันเป็นมันเป็นน้ำมาทำ嘛ครับเป็นน้ามาทำไม่ใช่อย่างั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้น้านําอีเชลโกอโรอย่างที่บอกแอลโกอฮอล์มันล้างเกล้ยงดีไม่ใช่น้ํามาทำและนบีนบีประหยัดในเรื่องน้ําแสดงว่าแนวทางของนบีเนะี่ยให้ประหยดัดแสดงว่าอาจจะ ين ن ي ي ن ب ي س <تصفيق> معنى نه ت النبي صلى الله عليه وسلم جنبي. عثمان بن عفر ابن أ لمع، فما زاء ا ك ي بيتام ك ا ن ี้ فقط أساء و ت ع د كاي بيتام ك ي ن قا ن ี้ تيوه لمر أساء لم أساء و تام ي دي و ت ع د ولامر، تا و م في نيرن م ك تيوه แต่เหตุผลเขาจะเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันก็ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ครับมัสยิดอักซอมัสยิดอักซอฮะนบีก็หันไปยังมัสยิดอักซอแต่นบีจะให้กาบาอยู่ด้านหน้าท่านอ่าใช่ครับ จะหันไปยังมันเสียลักซอโอโถึงมาดีนะแล้วเนี่ยไม่ได้มาดีนะต้องใต้เลยทักกาบานนี่ก็ใต้เลยทักซ อ, อก็เหนืออนลบีหันหน้า